บทสรุปหลักการพื้นฐานแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าความสุขลุถึงได้ด้วยความสุขเพื่อให้เห็นทัศนคติของพระพุทธศาสนาต่อความสุขชัดเจนยิ่งขึ้นก็ย้อนกลับไปขยายข้อความที่อ้างไว้ตอนต้นบทความนี้ว่าจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาพึงบรรลุได้ด้วยความสุข หรือด้วยข้อปฏิบัติที่มีความสุขมิใช่บรรลุด้วยความทุกขหรือด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นทุกข์ครั้งหนึ่งโอธิราชกุมารกราบทูลแสดงทัศนะแด่พระพุทธเจ้าและมีพุทธดำรัสดังความต่อไปนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมชันมีความเห็นอย่างนี้ว่าความสุขจะพึงลุด้วยความสุขหาได้ไม่ ความสุขจะพึงบรรลุได้ก็ด้วยความทุกข์ตรัสตอบว่าดูก่อนราชกุมารก่อนแต่สัมโพธิเมื่อเป็นโพธิสัตย์ยังมิได้ตรัสรู้แม้เราก็ได้มีความคิดดังนี้ว่าความสุขจะพึงบรรลุ ด, ด้วยความสุขหาได้ไม่ความสุขจะพึงบรรลุดได้ก็ด้วยความทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสเล่าต่อไปว่า ด้วยพระดำริดังกล่าวนี้ต่อมาพระองค์ก็ได้เสด็จออกบรรพชาส่งศึกษาในสำนักของอาลารดาบทกาลามโครและอุตะกาดาบทรามบุตรจนจบความรู้ของสำนักทั้งสองแล้วเสด็จต่อไปจนถึงอุรุเวลาเสนานิคมและส่งบรรเพนทุกขระกิริยาทรมานพระองค์ด้วยวิธีการต่างๆจนในที่สุดส่งอดอาหารจนพระวรากายสู้ผอมอย่างยิ่ง ดังบาลีที่ตรัสเล่าไว้ว่าเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยนั้นแหลอวัยวะน้อยใหญ่ของเราจึงกลายเป็นเหมือนเทาวันแปสิบข้อหรือเหมือนเทาวันข้อดำแต่โพของเราเป็นเสมือนเท้าอูดกระดูกสันหลังพุทธ ร, รักะเหมือนเทาวัฒนาวลีสิโครงขึ้นนูนเป็นร่องร่องดังกรอนสาลาเกา่าที่เครื่องมุงหล่นโซมอยู่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 เหมือนคิดว่าจะถ่ายอุจาระหรือปัสสาวะก็ส่วนเสยล้มลงนะที่นั่นเองเมื่อจะให้กายนี้มีความสบายเอามือลูบตัวคนทั้งหลายมีรากเน่าก็หลุดร่วงจากกายในที่สุดทรงพระดาริว่าสมณหรือพรามทั้งหลายเหล่าหนึ่งเหล่าใดในอดีตการในอนาคตในปัจจุบันได้เสวยทุกขเวทนาอันเผ็ดร้อนแรงกล้า ที่เกิดเพราะความเพียนอย่างยิ่งก็เพียงเท่านี้ไม่ยิ่งไปกว่านี้และด้วยทุกขระกิริยาอันเผ็ดร้อนนี้เราก็หาบรรลุญาณทัศนวิเศษที่สามารถทำคนให้เป็นอริยะซึ่งเหนือกว่าธรรมะของมนุษย์สามัญได้ไหมมักคาเพื่อความตรัสรู้คงจะมีเป็นอย่างอื่นกระมังหนอดูก่อนราชกุมารเรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่า เรายังรู้ประจักษ์ใจอยู่ในคราวงานวัปะมงคลของเท้าสักยะผู้พระบิดาเรานั่งอยู่ในร่มไม้ว่าเย็นสบายสงัดจากกามสงัดจากอากุโสลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจาร์มีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่นี่กระมังหนอจะพึงเป็นมักคาเพื่อความตรัสรู้ เรานั้นได้ม like oh. ีความรู้สึกชัดแล่นตามสติว่านี่แหละคือมรคคาเพื่อความตรัสรู้เรานั้นได้มีความคิดว่าเรากลัวไหมต่อความสุขโดยไม่ต้องมีกามไม่ต้องมีอกุศลธรรมทั้งหลายและได้มีความคิดต่อไปว่าเราไม่กลัวต่อความสุขโดยไม่ต้องมีกามไม่ต้องมีอกุศลธรรมทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่า การที่บุคคลผู้มีร่างกายพ่ายพอมและเกินอย่างนี้จะบรรลุ ค, ความสุขอย่างนั้นมิใช่จะทำได้ง่ายเลยถึงกระไรเราพึงบริโภคอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมสดเถิดต่อจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็ได้ทรงสวยอาหารหยาบจนมีกำลังขึ้นแล้วทรงบาเพ็ญฌานจนบรรลุจตุตถาฌานและได้ตรัสรู้ สำหรับในเรื่องนี้พวกนิกรนก็มีความเห็นว่าสุขเจรบรรลุได้ด้วยทุกจึงได้บำเพ็ญตบะทรมานตนด้วยวิธีการต่างๆปฏิปทาเพื่อบรรลุจุดหมายของพระพุทธศาสนาเป็นข้อปฏิบัติที่มีความสุขดังที่กล่าวมานี้แต่ก็มีข้อต้องระวังคือผู้ปฏิบัติ จะต้องไม่ติดใจหลงไหลในความสุขที่เกิดขึ้นแก่ตนไม่ปล่อยให้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นครอบงำจิตใจของตนยังมีจิตใจเป็นอิสระสามารถก้าวหน้าไปในธรรมะเบื้องสูงต่อๆไปจนบรรลุความเป็นอิสระหลุดพนด้นโดยสมบูรณ์ซึ่งเมื่อบรรลุจุดหมายนั้นแล้วก็สามารถสวยความสุขที่เคยเสวยมาแล้วโดยที่ความสุขนั้น ไม่มีโอกาสครอบงำจิตใจที่จะทำให้ติดพันหลงไหลและก่อปัญหาอย่างอื่นขึ้นได้เลยในบางกรณีที่เป็นการแสดงความหมายเชิงเปรียบเทียบหรือยักเยื้องความเชิงภาษาพระพุทธเจ้าถึงกับทรงเรียกการหมั่นบรรพญชาสีว่าเป็นสุขคันลิกานุโยคคือความหมวกมุ่นในความสุขชนิดหนึ่ง แต่เป็นการหมกมุ่นความสุขชนิดที่ดีงามเป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อความตรัสรู้เอติตรัสดังนั้นเพราะตามปกตินักบวชในสมัยพุทธกาลนิยมบำเพ็ญตบะและข้อปฏิบัติต่างๆที่บีบรัดเข้มงวดทรมานตนซึ่งเมื่อเทียบกันแล้วทำให้รู้สึกว่าการบำเพ็ญสมณธรรมในพุทธศาสนาผ่อนเบาสบายเป็นอย่างมาก นักบวชในลทัทธิศาสนาอื่นจึงมักยกเป็นข้อตำหนิติเตียนว่าพระสงค์ในพุทธศาสนาเป็นอยู่ย่อหย่อนสุขสบายดังตัวอย่างพุทธพจน์ที่ตรัสในคราวหนึ่งว่าดูก่อนจุนทะข้อนี้เป็นฐานะซึ่งเป็นไปได้คือการที่อัญญาเิรธีปริภาชกจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพวกพระสมมาสัยบุตรทั้งหลายเป็นผู้ฝากฝ่ายประกอบตนหมกมุ่น อยู่ในความสุขเธอพึงพูดกับัญญาเยรธีปริภาชกที่กล่าวอย่างนั้นดังนี้ว่าสุขคันธิการุโยคคือการประกอบตัวให้ผัวพันหรือหมกมุ่นในความสุขชนิดไหนละท่านเพราะว่าสุขคันธิการุโยคมีมากมายหลายอย่างหลายประการดูก่อนจุนทะสุขคันธิการุโยคสี่อย่างต่อไปนี้เป็นของซาม เป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนเป็นอนาระยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อนิพิทาเพื่อวิราคะเพื่อนิโร ธ, เ พ, โรธเพื่อความสงบเพื่ออภิญญาเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพานสี่อย่างไหนกล่าวคือคน่านบางคนในโลกนี้ฆ่าสัตว์แล้วทําตนที่เป็นสุขเอิบอิ่ม บางคนถือเอาของที่เขามีได้ให้แล้วทำตนให้เป็นสุขเอิบอิ่มบางคนพูดเท็จแล้วทำตนให้เป็นสุขเอิบอิ่มบางคนพร่างพร้อมเต็มที่บำรุงบำเรอตนด้วยกามาคุณทั้งห้าดูก่อนจุนทะสุขคันลิกานุโยคสี่อย่างต่อไปนี้ยอมเป็นไปเพื่อนิพิทาเพื่อวิราคะเพื่อนิโรธเพื่อความสงบ เพื่ออภิญญาเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานโดยส่วนเดียว4อย่างไหนกล่าวคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปถมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทถตฌาน